วั โ, โนกรรมถ้ามองกันด้วยความชื่นชมปรารถนาดีหวังแต่ความสุขเป็นเมตตามโนกรรมคำพูดเหล่าใดที่พูดให้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งคำพูดเหล่านั้นเป็นเมตตาว่จจีกกรรมทำอะไรที่ไม่เบียดเบียนเขาและให้ประโยชน์แก่เขาก็เป็นเมตตากายกรรมถ้าทำได้ทั้งต่อนหน้าและลับหลังคนที่ปฏิบัติอย่างนี้เจริญอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเสื่อมนโดยที่ไม่มีเสื่อม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 ผูร uh. um, ้รับหรือบุคคลเรียกว่าอามิตรปฏิวิพัฒบุคคลปฏิวิพัฒนสองอย่างนั้นข้อแรกก่อนนะคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้เท่านี้เราจะไม่ให้เท่านี้เรียกว่าอามิตรปฏิวิพัฒน์ของของเราที่ได้มานะเราจะให้เท่านี้ที่นี้เราจะเก็บเอาไว้นะเราจะเก็บเอาไว้เท่านี้แบ่งให้แก่คนทั่วไปเท่านี้อันนี้เรียกว่าอามิตรปฏิวิพัตน์ี่เแบ่งแยกว่าถุกอย่างที่สองจิตที่คิดแบ่งแยกอย่างนี้ว่าจะให้องคโน้นไม่ให้องคโน้น ถ้าได้ของมาเนี่ยให้องค์นั้นไม่ให้องค์นี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่คิดอย่างการคิดอย่างนี้เรียกว่าบุคคลปฏิวิพัตน์พิกษุนไม่กระทําแม้ทั้งสองอย่างบริโภคปัจจัยที่ยังไม่ได้แบ่งอันนี้เรียกว่าอปฏิวิพัตนตะโภคีไม่แบ่ ง, งนะนะไม่แบ่งก็คือมีคลองใครใครอยากฉันเอาไปฉันใครอยากใช้เอาไปใช้อะนะแต่ว่าช่วยกัน ร, รักษาหน่อยนะเป็นต้นเนี่ยนะ ที่จริงแล้วในสังคมที่มีการแบ่งปันเนี่ยทุกคนต้องอยู่ด้วยธรรมทุกคนต้องมีธรรมและจะผาสุขแต่ถ้าหากว่าแม้อีกคนหนึ่งเห็นของคนดีตัวเองก็มาใช้สเสล่เลยเนี่ยนะเอามาใช้ของคนอื่นจะเสียหายหมดเลยก็ไม่ใช่ลักษณะนั้นวันสังคมที่ที่ไม่แบ่งแยกเนี่ยนะไม่แบ่งแยกบุคคลไม่แบ่งแยกเข้าของเครื่องใช้ทุกอย่างเป็นเหมือนกับของสาธารณะหมดเลยทุกอย่างเป็นสาธารณะหมดเลยต้องอยู่ในสังคมที่มีความ รับผิดชอบและใช้เข้าของเครื่องใช้เป็นเนี่ยนะหมายเพราะว่ายิ่งสมัยใหม่เนี่ยบอกอ้าวอย่างเครื่องเสียงเนี่ยเห็นชัดนะเอาอยากฟังทำอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปพังซะฟังซะเสียหายหมดเลยเนี่ยนะท่านไอ้ตรงนี้ก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกให้อครั้งเดียวก็เกินพอเลยเนี่ยนะเสียหายหมดเลยอุตส่าห์กว่าจะหามาได้อีกฝ่ายหนึ่งก็โกรธอีกฝ่ายหนึ่งเลยท่านก็ถ้าหากว่าอยู่ในสังคมที่ที่ไม่มีความรับผิดชอบขาดเมตตาขาดความหวังดีแล้วก็ ใช้เข้าของเครื่องใช้ทั้งหลายบริโภคข้าวของเครื่องใช้ไม่เป็นเนี่ยนะแทนที่จะมีเมตตากลับได้เวรเนี่ยนะกลับได้เวรหนักเก่าอีกบางทีก็อะไรนะไอ้เขาก็มีอยู่ที่หนึ่งไอ้เหมือนกับสาธารณะแต่ว่าไม่สาธารณะเห็นรองเท้าใครก็ใช้ทั่วไปหมดใช้เสร็จอะใช้หนี้ทอนหนี้ไป อะไรใส่เนี่แล้วไปถอดไปโน่นจะท้องมาตามหาตาเลือกเลยนะเป็นไหนนาะอีกพักหนึ่งไปอยู่โน่นหรือไปถอดทิง้งคือใส่มั่วไปหมดเลยนะบางวัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นใส่รองเท้าอ่อนแล้วใครถอดแล้ก็ใส่ไปหมดอ่ะใส่แล้วก็ไปเข้ากุฏิโนอนถอดไปกุฏิโนอนใส่คู่ใหม่ไปเรื่อยเลมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ไม่รู้รองเท้าใครเป็นรองเท้าใครอะไรกันเนี่ยยุ่งไปหมดเลยเนี่ยนะไอ้ถ้าอย่างนั้นมันก็เกินไปเนี่ยนะปัญหาสาธารณโพคีเนี่ยไม่ได้แปลว่าขาดความรับผิดชอบขนาดนั้น นิสัยเละเทะอะไรแบบนั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่หมายความว่ามีความรับผิดชอบมีสามัญยสํานึกไม่ล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเดือดร้อนเนี่ยนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งอันนั้นแหละเรียกว่าเหมาะที่จะประพฤติสาธารณโภคีเพราะฉะนั้นได้ปัจจัยมาก็ไม่แบ่งปันทั้งผู้รับและของที่จะให้ก็ไม่คิดจะต้องแบ่งว่าให้เท่านี้ไม่ให้เท่านี้ให้แกคนนี้ไม่ให้แกคนนี้ไม่คิดอย่างนั้น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 คืออันนี้เหมาะมากสาหรับพระพิสูจน์นะสำหรับพระพิสูจที่อยู่ในวัดเนี่ยที่ที่ ป, ปฏิบัติเพื่อการขัดเกลาื่อต้องการละคลายเพื่อต้องการเจริญง้อเงยงอกงามในกุศลธรรมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ทำไม่ยากมองว่าของของเราเหมือนกับของของคนอื่นแต่มองของคนอื่นเหมือนอสสารพิษมองวัตถุเข้าของเครื่องใช้ของคนอื่นทุกชนิด เหมือนใกล้กับงูจงอา ง, อางั้นนะเหมือนใกล้งูพิษนะพวกนี้มันจะกัดเรานะมันจะทําให้เจ็บปวดในตอนหลังนะเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องเข้าของเครื่องใช้ของผู้อื่นในพระวินัยเนี่ยท่านแนะนําบอกคิดจะจิบหยิบของคนอื่นให้นึกว่าเหมือนอสรพิษนะกําลังจับอสารพิษอยู่นะกําลังจะจับสิ่งที่มันสร้างปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นจับของคนอื่นไม่กําลังกู้อยู่นะ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 ดีเท่านางวิสาขาไม่ดีเท่าพระอริยะเจ้าองค์ไหนบ้างไหมมันก็ไม่ดีทําไมว่แล้วให้คนอื่นเข้ามาดีเหมือนเราถ้าเขาดีเหมือนท่านคงไม่รู้ว่าโลกอาจจะเสียหายแล้วก็ได้ป่านนี้นะเพราะเราอาจาจะดีเฉพาะแค่เนี้ยแต่ว่าเรื่องอื่นเลวหมดก็ได้เนี่ยนะให้คะแนนตัวเองมากไปมั้งเนี่ยนะมันก็ต้องมาค่อยๆสอบสวนค่อยๆชํ า, า, าระสะทางไปอย่างเนี้จนกว่าดํารงอยู่ด้วยความสุดจริญรมอย่างเต็มที่อย่าลืมว่าทำแลย่อมรักษาผู้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 รางั้งเขาให้กู้สตังไปกู้ไปทีละแสนสองแสนพวกนั้นไม่เคยเอามาคืนเลยไม่รู้ไปทำเวรทำกรรมอะไรมาเอ้ยเหมือนคนละประเด็นกันะไอทำดีมันเรื่องหนึ่งไอแต่ให้กู้โดยที่ไม่มีไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาไม่มีเงื่อนไขจะไปโทษอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้นี่นะมันต้องดูว่าใครควรให้กู้ใครไม่ควรให้กู้มีองคุณของ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 สติประฐานสี่สัมมประธานสี่อิทิบาทสีอินทรียห้าพระห้าพุทชงเจ็ดอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปไม่ได้เอาแต่เจตนาไปขายฉันเจตนาดีนะฉันหวังดีนะฉันปรารถนาดีนะมันดีมันดีพอไ้มล่ะเอ้าถ้าดีไม่พอมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้อย่างที่เราบอกโอ้บางคนก็บอกเขาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเขามีความปรารถนาดีทุกอย่างสุดจริตรำหมดเอ๊มันต้องดูนะกุศลกรรมบทเช็กดูละกันเนี่ยนะ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 ก็คือว่าถามว่าปูนมันก็อยู่อย่างนั้นของปูนมาตั้งนานแล้วก็กทําอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าเราเนี่ยพลาดเองเเข่เองไม่ดีเองไม่ฉลาดเองก็เลยอน น, นก็ทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยนะอะไรก็ตามท่านนามาซึ่งความเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจกลับมาถือว่าเป็นความโง่เข่ะของเจ้าของบุคคล น, นั้นเองไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้หรอกแม้กระทั่งรถวิ่งมาชนเราเราก็ยังถือว่าเราเองนั่นแหละผิด